ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่โรงพระโพธิญาณในวันนี้ก็ขอเป็นกรณีพิเศษสักวันหนึ่งคือจะตอบปัญหาของท่านสาธุชนท่านหนึ่งที่ท่านได้มอบให้ในโอกาสที่ไปร่วมกันสัมมนามาพิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติใหม่คือพระราชบัญญัติที่เรียกว่าพระราชมการสาแห่งชาติกับพระพราชราชบัณฑิตปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีปัญหาในประเด็นของการจัดองคอ์กรคือความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันของพระพุทธศาสน า, ากับ คณะกรรมการการศาสนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมก็ในหัวข้อว่าอนาคตรพระพุทธศาสนาภายใต้กระทรวงใหม่เพวฉะนั้นก็มีพระสองรูปมีครือหัสสีท่านก็ร่วมการอภิปรายแล้วก็มีการเรียกมติ ก็เป็นการสอบถามความคิดเห็นของท่านผู้เข้าร่วมไปสุุ่มก็ในสามประเด็นด้วยกันเป็นแรกก็คือการบริหารคณะสงฆ์ในสามสี่เรื่องนะฮะควรจะอยู่กับกระทรวงศึกษ า, าศาสนาและวัฒนธรรมหรือไม่ ก็ปรากฏว่ามีการเสนอให้แยกถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถามถึงชื่อว่าควรจะใช้ชื่อว่ายังไงก่อนเสนอให้เลือกคือสองชื่อนะฮะสำนักพุทธศาสนาจักรกับสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็ปรากฏว่าสํานักพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้หกสิบห้าเปอร์เซนพุทธศาสนาจักรก็ได้สามสิบสี่เปอร์เซ็นตแล้วก็สอบถามถึงการดําเนินการที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะนําเอาองค์กรตัวเนี้ยจึงจะเรียกซึ่งจะอาจจะเรียกว่าสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไปอยู่สังกัดตัตวนายกรัฐมนตรีเนี่ยจนกว่าจะบรรลุผลเนี่ยท่านผู้ฟังมีความเห็นยังไงก็ปรากฏว่าเห็นด้วยถึงหกถึงเก้าส่เปอร์เซ็นตเช่นเดียวกันนะหกเก้าสิบสี่จุดสองเอร์เซ็นตก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีระดับหนึ่งแต่ว่างานก็คงจะเดินไปเรื่อย จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางก็คงไม่ใช่ปีเดียวนะทีนี้ก็มีปัญหาคือตอนออกจากตอนอภิปรายเสร็จเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นำจดหมายมามอบให้แล้วก็บอกว่าจะตอบในรายการไหนก็ได้ แล้วมาก็ไม่ได้สักถามไม่ได้อ่านโยงฟังรายการใดอยู่บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วมามีรายการติดตอบปัญหาอยู่สามสี่สถานีแล้วรายการที่บรรยายเป็นหลักธรรมะล้วนๆเนี่ย mm hmm. ก็มีที่พนึ่1กับที่ปตอแล้วก็บางทีก็อมอพลสอ2ด้วย แต่บางทีก็เปลี่ยนเป็นปัญหาเพราะว่าปัญหาจะมีเยอะมากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสืบเนื่องมาจากด้านนี้เพระธรรมายกตัวอย่างในกรณีพระราจะบัญญัติปฏิรูปการศาึกษาก็มักยกตัวอย่างในรายการนี้เห็นว่าถ้าเรามาเชื่อมโยงตรงนี้สะหน่อยมันก็ได้ประโยชน์ดีเหมือนกันเพราะท่านเขียนหนังสือสวยสะดด้วยที ท่านบอกว่าตอบในโอกาสอื่นก็ได้ก็ เ, เรียนท่านจ้กคุณพระเทพติโลกเรขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาว่าพระภิกษุผู้ทรงความรู้ทั้งสามหมื่นกว่าวัดในชาวพุทธเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนี้จะสามารถขอรัฐบาลใหม่แก้ไขพระราชบัญญัติการศาหแห่งชาติ ปศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามในข้อที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์แห่งประเทศไทยได้หรือไม่จะทำโดยวิธีใดคณะสงฆ์จะปกครองกันเป็นเอกเทศได้โดยสวัสดิภาพคือพระราชบัญญัติเนี่ยที่จริงมันไปเชื่อมโยงกันคือมันต้องมีที่มาจากรัฐมนุญแต่พระราชบัญญัติการถ่ายแห่งชาติเนี่ย มันไปอ้างถึงสิทธิเสรีภาพตามมาตราที่ยี่สิบเก้ากับมาตราที่ห้าสิบแห่งรัฐธรรมนูญการปกครองซึ่งถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยไม่เห็นข้าวนะไม่เห็นข้าวลางว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับพพุทธศาสนาที่อย่าลืมว่าปฏิรูปนะทีนี้การไปรูปการศึกษาเนี่ยมันปฏิรูปได้ทั้งหมด ปฏิรูปหลักสูตรปฏิรูปหลักการวิธีการการบริหารการจัด ก, การทั้งหลายนี่ปฏิรูปได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าศาสนานี่มันปฏิรูปไม่ได้หรอกปฏิรูปหลักการไม่ได้ปฏิรู ป, ปโบดงการไม่ได้นะปฏิรูปแต่การบริหารจัด ก, การในส่วนบุคคลแล้วก็วิธีการในการเผ ย, ยแพร่ศาสนานี่ปฏิรูปยังไงมันก็สู้วิธีของพระวิชาไม่ได้หรอก แต่ว่าพระเป็นยืนอยู่บรรหลักที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้มันก็สามารถดำเนินการไปได้โดยดีแล้วแล้วมาจนถึงปฏิรูปพัฒนธรรมเราจะเห็นมาเละเลยทีนี้มันก็กลายเป็นเรกาดของหมอเจตุรงไปเลยคือความคิดของคนเหล่านี้เขาคิดเรื่งปฏิรูปการสามาตลอดเส้นทางที่เขาคิดเนี่ยพอนึกมันอะไรขึ้นมาไม่รู้ก็จับ วัฒนาไอศา ส, สนาศิละปะวัฒนธรรมยั์โครมก็ไปเลยไม่มีปีมีครุยอะไรเลยมันเริ่มมีข่าวที่พระราชบัญญัติการศระาหแห่งชาติพศ 2,542 นะฮะรู้สึกจะประกาศเมื่อเดือนสิงหา42ก็ไปอยู่ใน วักสุดท้ายของมาตราที่สามสิบสี่แต่ว่ามีเ้าที่พอพอดูออกนะวันมาตั้งแต่มาตราที่สามสิเอ็ดแล้วแต่ว่าก็ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนก็มาชัดเจนที่มาตราที่สิบเจ็ดในพระราชบัญญัติปฏิรูปการศาึกษาซึ่งเป็นฉบับร่างแล้วท่านเหล่านี้ฉลาดนะะท่านบอกเป็นร่างห้ามไปนำใช้อ้างอิง นะเพื่ อ, อยังมีการปรับปรุงแก้ไขได้แล้วก็เขาจะพูดอย่างนี้ทุกทีนะะตามตามปกติคือตอนรับตนูเนี่ยก็เหมือนกันก็ไปขอร้องว่าคือมาเองจริงจริงไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ติดใจนะะเรื่องพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเขียนไว้หรือไม่เขียนเนี่จริงตัวเองเนี่ไม่ติดใจแต่ว่าเมื่อญาติโยมเขามาขอให้เซ็นชื่อให้ก็เซ็นให้พูดให้ก็พูดให้ เรารู้สึกว่ามันจะมีความสมเหตุสมผลเพราะว่าเอกลักษณ์ของชาติเนี่ยคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขนะฮะคือมีอยู่สี่อย่างเอกลักษณ์ของชาติก็เป็นอยู่ในระฐับรมนูญหมดแล้วพระพุทธาาศาสนาทําไมไม่อยู่ละ่ะเพราะว่า ศาสนานั้นหมายถึงพระพุทธศาสนาตลอดเส้นทางนะประเทศไทยเราถ้าพูดถึงศาสนาก็หมายถึงพระพุทธศาสนาตั้งแต่โบราณกาลมาเลยพระพุทธศาสนาอื่นเราจะออกชื่อนะฮะออกชื่อศาสนานั้นๆแต่ถ้าพูดถึงศาสนาแล้วก็หมายถึงพระพุทธศาสนาเป็นอันรู้กันดังนั้นเมื่อมีค่าวว่าจะไม่ได้เราก็บอกว่า ยังไงก็อย่าไปบัญญัติมาต ร, ราที่73ขึ้นมาอีกเราควรจะออกแล้วก็ดูมาต ร, ราที่38ได้ดีอย่าใช้ข้อความให้คุื่นเฟืยมากเกินไปมันจะลาบากในภาคสนามมันมือเนะี่ยมันจะป่วนเพราะคนที่ไม่หวังดีมันก็มีอยู่เยอะแล้วท่านก็ออกมาอย่างที่เรารู้เหตุกันเนี่ยแต่มาพออ่านมาต ร, ราที่73แล้วก็งงเลยนะฮะบอกโอ้โหต่อไปจะยุ่งมากเลย ศาสนาเนี่ยจะยุ่งมากบตร า, าที่สามสิบแปดกรรมาจาร์ที่เจ็ดสิบสามเนี่ยจะยุ่งมากคือสสรเนี่ยท่านเป็นชาวบ้านท่านไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องศาสนาตลอดสายของศาสนานะ่ยครับแต่มาเป็นพระแล้มาศึกษามาเรียนแล้วมาเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาแล้วเรียบเรียงหนังสือเล่มใหญ่โตสี่ห้าร้อยหน้า เราศึกษาติดตามค้นคว้า ม, มาตลอดเราก็สี่สิบกว่าปีแล้วไม่จะวันน้องวันเน่ยนะฮะเราเกาะติดสถานการณ์เรื่อยๆเราก็มองเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆเราไม่มีหน้าที่เราเป็นทหารในกองทัพธรรมเรื่องอื่เราไม่เกี่ยวแต่เราจะดูแลในเรื่องพระพุทธศาสนาเท่านั้นแล้วก็ไม่มีอํานาจไม่มีหน้าที่ไม่มีตําแหน่งอะไรในคณะสงฆ์แต่เราถือว่าเป็นหน้าที่โดยกําเนิด คือหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธหน้าที่ของพุทธบริษัทมันเป็นหน้าที่ที่พระเจ้าทรงวางไว้ตั้งแต่เริ่มประกาศพระาศาสนาแล้วก่อนประกาศพระพุทธศาสนาแล้วเพร้ะเวลามีข่าวคราวอะไรที่เกี่ยวกับพระาศาสนาคนบางคนอาจจะมีความรู้สึกนะไวลมาจะเคลื่อนไหวชี้แจงมาตลอดแล้วเอาประเด็นเรื่องพระพุทธศาสนาเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เกี่ยว เรามีหน้าที่เป็นทหารในกองทัพรรมเราปกป้องรักษาพระพุทธศ า, ษ า, ษาสนาแล้วก็ไม่ได้เจตนาลายต่อใครเจตนารักษาองค์กรเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ต้องการจะเป็นอะไรด้วยนะฮะอย่ไม่ใช่ไปการเมืองในศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเรามองเรามองด้วยความรู้สึกว่าต่อไปเนี่ยพระพุทธศาสน า, าจะเป็นยังไงแต่ถ้ามีเข้ามีอันตรายแล้วเราก็คิดป้องกันแหละ ตันในแนวตรนี้แต่ตมาเห็นปั๊บครั้งแรกเนี่ยก็ไปขอมาจากกรมการศาสนามาอ่านไม่ไม่ศึกษารายละเอียดอ่านมาตราอ่านตามเลาะรัศกาเ ส, สกฎหมายมาเนี่ยอ่านแบบแบบกฎหมายเนี่ยก็ยดูซี่ว่าพระเจ้าัผ่นดิ ก, การสาธาติเนี่ยเขาอ้างรัตนูญฉบับไหนแล้วก็กลับไปดูที่มาตราตรงนั้น แล้วก็มาดูที่ตัวข้อความในพระราชบัญญัติการสาหแห่งชาติดูเฉพาะที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างอืง่นเราไม่ดูหรอกแล้วก็ตามมาที่พระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษาฉบับร่างเอ่อซึ่งโดยข้อความเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เขาบักจะพูดอย่างนี้แหละมันยังร่างอยู่แก้ไขได้ตลอดเวลาตอนสอสรอร่างและตำนูนก็พูดอย่างนี้ตลอด จะผลวันท้ายก็ตัวจริงก็ออกมาอย่างอย่างที่เราค้านนั่นแหละเพรา ะ, ะนั้นก็ทาให้ญาติโยมนี่มีความรู้สึกร่วมแล้วก็ตื่นตัวตื่นสนกตกใจนะฮะมีเป็ น, นั้นมากแล้วโดยเฉพาะพวกเครือพุทธมาคธ ม, มาใดแต่ใดเนี่ยจะตื่นตัวมากในเรื่องเหล่า น, นี้พอดีในช่วงตัวนั้นอะเรื่องตาลีบันเนี่ยที่อับกาลนิสถานเนี่ยมันเข้ามาแสงตัวนี้ก็เล่นข่าวพุกคืน วิทยุก็ออกโทรทัศน์ก็ออกทนังสือพิมพ์ก็ออกแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าสถานในวิทยุก็มีแค่อะไรล่ะธรามาร่วมสมัยคือคนต้อรู้เรื่องศาสนานะฮะคนต้อรู้เรื่องศาสนาทันก่อนก็มีคนมาบ่นว่าจอสร้อยเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องราวบอกว่าจะเอาเรื่องอะไรก็ดูเรื่องจราจรมันจะรู้เรื่องอย่างนี้ได้ไงคือเราไปโทษเขาไม่ได้เราแล้วก็แม้แต่กรรมการเหล่านั้นเราก็ไม่โทษ เพราะเป็นการทำตามหน้าที่กฎหมายกำหนดให้ท่านทำอย่างนั้นแต่ที่เราติงก็คือประเด็นว่ากรรมการสามสิบเก้าคนที่ท่านไปจำกำหนดคือไปบังคับให้เป็นตัวแทนศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมันเอาเข้าไปได้ยังไงเพราะมันบริหารศาสนาพุทธมันไม่มีศาสนาอื่นมาบริหารอยู่เลยวัฒนธรรมก็วัฒนธรรมพุทธศิละปะก็ศิละปละปพุทธ แ ล, ละศิลปะคือสรุปว่าโอนย้ายมาเนี่ยมาบริหารที่ถูกบริหารข้างล่างเนี่ยถ้าเราไปดูไว้ดีเนี่ยบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์บริหารองค์กรของคณะสงฆ์แล้วก็บริหารศิละปะคืองานของกมรมศิลปากรกับงานของสำนักวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยมาอยู่ในที่เนี้ ทีนี้ถ้าเราถามศิลปะเมืองไทยเนี่ยเป็นศิลปะของใครเราบอกว่าศิลปะของพุทธอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดวัดไหนวัดปกติทั่วไปเนี่ยก็วัดร้างหรือยราชวังโบราณซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นวัดนะถึงวัดตันทารรมก็เว้นเป็นวัดตันทมพุทธเห็นไหมฮะนี่คือประเด็นปัญหามันเกิดปัญหาเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอื่นแต่การเทศานาเป็นเรื่องของทุกคน คนไทยทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันไม่เกี่ยวกับศาสนาทุกคนต้องช่วยกันในวิจาเน้นเรื่องศาสนาก็เป็นเด็กในศาสนาไหนก็เน้นในเรื่องศาสนาทำต้องควรแกะฐานะของศาสนิกเหล่านั้นมาเคยคุยกับบาทหลวงบอกว่าทําไมเราไม่ช่วยกันละ่ะเราเป็นคนไทยด้วยกันทําไมเราไม่ช่วยกันว่าถ้าชาวพุทธจะช่วยคริสก็ช่วยในฐานะที่เป็นคริส ยาพุธจะช่วยอฉล า, ามก็ช่วยในฐานะที่เขาเป็นอิสล า, ามไตรฉลามจะช่วยพุทธก็ช่วยในฐานะเป็นพุทธคิดช่วยพุทธก็ช่วยในฐานะที่เป็นพุทธไม่ใช่คิดแบบตกเบ็ดกันก็เคยไปแจกของตอนอุทกภัยทางพระได้นะ่ะสองสามครั้งก็มีคราวหนึ่งเนี่ยคนศาสนาอิสล า, ามซึ่งอยู่ใกล้วัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขก็มาขอข้าสารกันเยอะ กะะ็อยากโยมเข้ามากระซิบบอกว่านั้นเป็นพวกอิสลามบอกว่าไม่เกี่ยวพี่น้องเราทั้งนั้นแหละทําไมไปคิดอย่างนั้นเราอันนี้ไม่เรื่องแจกข้อศาลนะไม่ใช่เรื่องศาสนามันเรื่องมาช่วยคนที่ประสบอุทกภัยมันต้องแยกให้ออกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้มีศาสนาอะไรคือเราแยกให้ออกว่าวิธีคิดแบบพุทธเนี่ยไม่มีเป็นอันตรายกับใครหรอกแต่เราคิดโดยเหตุโดยผลกันโดยทำโดยธรรมะ ก, กัน เพ้นมันก็ติงประเด็นตรงนี้ยแล้วก็ต่อสู้กันในประเด็นตรงนี้แล้วจนถึงกระดิ่งรนที่จะออกแล้วก็มีความโน้มเอียงนะฮะมีความโน้มเอียงว่าอาจจะต้องออกไปสังกัดนายกรลิมตรีไม่ใช่สํานักนะฮะสังกัดตัวนายกเลยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถตั้งได้แต่ว่าข่าวคราวเนี่ยท่านสาธาชนก็คงจะคยได้ยินได้ฟัง เพรประเด็นตรงนี้ที่ญาติโยมคนเนี้ยที่ท่านท่านเป็นห่วงเนี่ยว่าคือในแง่ของความเป็นจริงในวัดเนี่ยมันมีอยู่สามหมื่นกว่าวัดแล้วก็มีพระสงฆ์เนี่ยที่จริงก็ประมาณเนี่ยประมาณสามแสนกว่าถึงสี่แสนได้รวมสามเด่นด้วยก็ประมาณสี่แสนชาวพุทธเนี่ยไม่ถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรอกถ้าที่รู้มาเนี่ยมันก็มีเก้าสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต ก็เกือบเกือบเก้าสิบ้านะฮะเก้าสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นเป็นตัวเลขจากสํานักสถิติแห่งชาติแหละและตรงนี้มันก็มีเรื่องตลกแทรกขึ้นมาเคยออาจารย์ชํานาญในสารัตเนี่ยท่านเป็นนักวิชาการที่บริสุทธิ์เนี่ยเพราะนันอะไรท่านตามถึงที่เลยท่านต้องได้ตัวเลขมาชัดเจนในแต่และเรื่องเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพราะนั้นท่านตามจากตัวเลขจานวนสาสนิกปรกฎไว้สบศเนี่ยฮะ สมรัปฏิรูปการศึกษาเนี่ยสปกรนะฮะปรากฏว่าไปเพิ่มสาสนิให้แก่คริสต์ตั้งเท่าไรละ่ะสามสี่แสนนะนะก็เกือบล้านนะฮะเก้าเก้าแสนกว่าสาสนิของคริสต์จริงก็มีแค่สามแสนกว่าๆแ น, นั่นเองแล้วเมื่อมอิสลามตั้งเท่าไหรเกือบสองแสนด้วยเพิ่งกัน อิตาลีก็มีสามล้านกว่าเพิ่มเป็นสีล้านกว่าแล้วลดพุทธลงไปเหลือเก้าสิบสามกว่าก็เอเอก็ชอบกลแอ้เจ้ากลนดีเหมือนกันว่าตัวเลขมันเกิดขัดแย้งกันแต่เราก็เชื่อตัวเลขในสถิติแห่งชาตินะฮะเพราะว่าเขาเป็นเกีร่รวกับสถิติโดยตรงคือถามว่าจะได้หรือไม่เนี่ยมันก็ต้องทำกันเรื่อยไปนะเราก็เดินไปเรื่อย เป็นแบบคล้ายๆกับสงครามจรยุทธ์นะฮะคือรบกันไปเรื่อนยนะจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายแต่ชนะจะแพ้เนี่ยเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องพยายามแล้วต้องทำให้สำเร็จส่วนระดับใดนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือการปกครองของคณะสงฆ์เนี่ยคือโดยความรู้สึกส่วนตัวเที่มมาเสนอไว้ในหนังสือเรื่อง ไม่ยกย่องก็อย่าเหยียบย่ำเนี่ยคือเสนอไว้สิบประเด็นแล้วในฐานะที่เป็นภิกษุรูปหนึ่งไม่ใช่เป็นเจ้าคุณรูปหนึ่งเนี่ยหมายความภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะถึงเวลากลับไปสู่พระธรรมวินัยแท้ๆเลยอย่าไปยุ่งในเรื่อง ก, กฎหมายเนี่ยคือเราถูกบังคับโดยกฎหมายทุกมาตราที่มีอยู่ในประเทศนี้ยกเว้นในกฎหมายคือยกเว้นให้แต่ในเองเราต้องปฏิบัติอยู่แล้วกฎหมายเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอก เราเป็นราษฎรนะฮะเราเป็นราษฎรอยู่ในประเทศไทยเรามีกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไปเพิ่มราชบัญญัติคณะสงฆ์ขึ้นแล้วก็มีกฎระเบียบต่างๆที่สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญตัติแล้วความคิดเนี่ยเป็นความคิดของคนที่มีกิเลสมาร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาเนี่ยคือพอเราอ่านนีเราเห็นว่าโอ้โหมันเพิ่มบาปเยอะเลย แล้วก็ไปตั้งพระเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งซึ่ ง, ง, ง, งเป็นอนาคาริศเนี่ยให้เป็นเจ้าพนัก ง, งานนะเป็นเจ้าพนัก ง, งานโดยตําแหน่งมันก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบในแง่ต่างๆแตเรื่องบนเรื่องเนี่ยพระไปทําไม่ได้นะเช่นนิติกรรมการก่อหนี้ก่อสินะอะไรต่างทําไม่ได้มันก็ยังมองว่าพระเราเนี่ยมันน่าจะถอยมาไปตั้งหลักเลยไปอยู่ที่ไประทับในในเลย แล้วก็ไปยึดโยงไว้ในฐานะที่เราเป็นรัศดรคือการเทศสานะไม่ต้องห่วงเรือ่องอื่นไม่ต้องขวมแต่เรื่องการปกครองสงูงเนี่ยมันน่าจะปกครองสงแท้ๆโดยพระธรรมบิณัยเพราะไม่มีประเทศเดียวแต่นั้นเองละมั้งที่ถูกปกครองด้วยกฎหมายเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าประเทศอื่นก็มีระบบการปกครองท่านก็มีธรรมบิณัยของท่านทั้งกปกครองของท่านนะฮะแล้วก็ให้การสนับสนุนกันนั้นเองแต่ทํายังไงเราจะถอยมาอยู่ในจุดตรงนี้ได้ซึ่งน่าจะอยู่ น่าจะอยู่มานานแล้วด้วยจะมาได้เสนอพวกผูกก็บอกพวกผูกบอยลองสังเกตเถอะพระธรรมวินัยเนี่ยพระเจ้าบัญญัติมาจากสัพพัญญตญาณนะฮะมันยอดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบัญญัติมนเลยก็พยายามพัฒนาสามัญชนนี่ให้เป็นพระยะบุคคลให้เป็นคนดีจนถึงเป็นประยะบุคคล แต่กฎหมายเนี่ยจะเอาพระมาเป็นชาวบ้านพัฒนาไปพัฒนามาเป็นชาวบ้านเป็นความคิดแบบชาวบ้านเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นเจ้าของวัดสมภารเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของวัดเลยเป็นเจ้าของทุกอย่างไปในวัดมันก็เหมือนกับหัวหน้าครอบครัวไปเลยแต่ทีนี้มันมั น, ม, นมันต้องบริหารไปตามนั้นบางครั้งบางคราวปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่คือเราไปทาตามกฎหมายแต่บางทีมันก็ผิดพิัย ทีนี้ความเป็นพระของเราเนี่ยเป็นด้วยพระวินัยไม่ใช่เป็นด้วยกฎหมายเราเป็นด้วยกฎหมายเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เกิดมาก็มีสูติบัติมันก็เป็นตามกฎหมายแล้วแต่ความเป็นพระเนี่ยมันเป็นด้วยพระธรรมวินัยเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นด้วยธรรมวินัยแต่เวลาเนี้ยเราไปให้ความสำคัญแก่กฎหมายเนี่มากเกินไปจนลืมเลือนพระธรรมวินัยลืมไปว่าตรงนี้มันผิดพระวินัยนะได้ไปทําอย่างนั้นนอะ ทีนี้เมื่อไปขัดแย้งกับตัวพระวินัยเนี่ยมันจะทำลายเนื้อหาของความเป็นพระมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของราชการหรือว่าเป็นข้าราชการไปเป็นปัญหาที่น่าห่วงใหญ่มามองภาพ ร, รวมของศาสนาตอนถ้าถามว่าจะทำกันได้ไหมเนี่ยมันก็คงได้ระดับหนึ่ง ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่ท่านแทรกขึ้นมาท่านบอกรักษาธรรมต้องสละชีวิตนั้นหมายความว่าอย่างไงคือนี่เป็นการสละทรัพย์เพื่อรักษาวัยวะสละวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุสรถึงธรรมะเนี่ยท่านสอนให้สละทั้งทรัพย์ทั้งวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพิทักธรรมะเอาไว้และธรรมะคเนี้หมายถึงสัจจะปฏิยานที่เราปฏิยานเอาไว้ว่าเราเป็นทาสพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์ พระพุทธเจ้าประทัมประสงค์เป็นนายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอกกายถวายชีวิตพร้อมทั้งเซระแด่พระพุทธเจ้าประทัมประสงค์เนี่ยต้องทําให้ได้ถ้าเป็นพุทธที่แท้จริงท่านฟังทั้งหลายแต่ลรลวงพ่อพุทธญาณในวันนี้ก็ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี